ธรรมคุณประการที่หกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิแปลว่าอันวินยูชนทั้งหลายพึงรู้ได้เฉพาะตนหรือที่ตนในที่นี้หมายความว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นี้จะมีคุณค่าหรือมีประโยชน์แก่ตนแค่ไหนอย่างไร เป็นสิ่งที่จะพึงรู้ได้เฉพาะตนคือถ้าคนไหนไม่ได้ปฏิบัติเช่นเข้าสมาธิไม่ได้ก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่าสมาธิคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรส่วนผู้ที่ปฏิบัติได้ก็ยอมจะรู้ได้เฉพาะตนหรือรู้ได้ที่ตนเหมือนกับเรารับประทานอาหารซึ่งจะอร่อยหรือไม่อร่อยหรือมีรสเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเรื่องนี้ไม่ต้องถามผู้อื่น พระถึงแม้จะถามแต่ถ้าเขาไม่ได้รับประทานอาหารชนิดเดียวกันกันกบของเราเขาก็ไม่อาจจะรู้ได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนทุกอย่างมีลักษณะอย่างนี้ทั้งสิน้นขอให้สังเกตจากข้อความที่เคยกล่าวมาแล้วว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นั้นเปรียบเหมือนเพชรคนที่กํำเพชรไว้ในมือซึ่งตนเองแน่ใจว่าเป็นเพชรแท้แล้ว ไม่ใช่เพชรเทียมจึงพร้อมที่จะบามือและท้าทายให้ผู้อื่นมาดูและเนื่องจากเป็นเพชรแท้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครในเมื่อได้เห็นและรู้จักค่าของเพชรก็อยากจะได้มาไว้เป็นสมบัติของตนนี่คือความหมายของคำว่าโอปัญโกซึ่งได้อธิบายมาแล้วและเนื่องจากพระธรรมแม้จะเปรียบเหมือนเพชรแต่ก็เป็นเพชรที่ไม่อาจจะซื้อหาได้ด้วยเงิน หรือแลกเปลี่ยนได้ด้วยวัตถุอย่างอื่นเพราะเพชรในที่นี้ก็เหมือนกับความรู้ซึ่งถ้าเราไม่เรียนแต่เราจะขอซื้อความรู้จากผู้อื่นแล้วจะทําให้เรามีความรู้เหมือนเขานั้นย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ธรรมะเป็นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติด้วยตนเองและในเมื่อปฏิบัติแล้วจะมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเรื่องนี้จะรู้ได้ด้วยตัวเอง และก็เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรมได้เช่นสามารถเข้าสมาธิได้เจริญวิปัสนาได้ละกิเลสอันไหนได้เราก็จะรู้ว่าธรรมะที่เราปฏิบัตินั้นมีคุณค่าอย่างไรและในเมื่อเรารู้จักคุณค่าของธรรมะด้วยตัวของตัวเองแล้วใครจะมาพูดชักจูงหรือแนะนำให้เห็นว่าการมีธรรมะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือการปฏิบัติตามธรรมะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ สำหรับผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วจะไม่มีใครสามารถชักจูงได้เลยเป็นอันขาดเพราะเขามีความเชื่อมั่นในคุณค่าของธรรมะเขาเดียรู้ด้วยตัวของเขาเองแล้วว่าธรรมะมีคุณค่าอย่างไรผลของธรรมะได้ประจักษ์ชัดอยู่ในใจของเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่วิญโยชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตัวหรือรู้ได้ที่ตัว ขอให้สังเกตคำว่าวินยูชนซึ่งแปลว่าผู้รู้แจ้งหรือผู้ที่เข้าใจดีธรรมะเป็นสิ่งที่วินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตัวอันนี้ย่อมหมายถึงว่าคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะหรือศึกษามาแล้วแต่ยังไม่รู้แจ้งแต่ก็ไม่อาจที่จะรู้จักคุณค่าของธรรมะด้วยตัวเองถ้าหากเขาจะเชื่อว่าธรรมะมีประโยชน์อย่างไรก็เป็นการเชื่อตามผู้อื่น ความมั่นใจในตัวเองยังไม่มีแต่ถ้ารู้แจ้งเมื่อไหร่เขาก็จะรู้จักคุณค่าของธรรมะเมื่อ น, นั้นซึ่งการรู้จักคุณค่านี้เป็นการรู้จักด้วยตัวเองลักษณะอันนี้โปรดจำให้ดีเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นจะต้องมีลักษณะพิเศษอันนี้อยู่เสมอคือเราสามารถที่จะรู้แจ้งได้ด้วยตนเองอะไรที่ไม่อาจจะรู้แจ้งได้ด้วยตนเอง อันนั้นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าการเรียนธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมจริงอยู่ในครั้งแรกเราต้องเชื่อตามตำราและเชื่อตามผู้สอนแต่ถ้าหากความเชื่อของเรายัางอยู่ในลักษณะที่ต้องฝากไว้กับตำราหรือกับครูผู้สอนก็แปลว่าเรายังเข้าไม่ถึงธรรมธรรมะที่เราจำได้หรือที่เรามีอยู่ซึ่งถึงแม้ว่า เราจะรู้สึกว่าเราปฏิบัติตามได้เช่นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีความซื่อสัตย์มีความขยันไม่ให้เบียดเบียนใครเราเห็นด้วยแล้วก็ได้ปฏิบัติตามด้วยแต่ตราบใดที่เรายังอธิบายไม่ได้ด้วยตนเองหรือยังไม่ซึ้งถึงเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องมีความซื่อสัตย์ทําไมเราจึงต้องมีความขยันทําไมเราจึงคิดเบียดเบียนใครไม่ได้ถ้ายังไม่เข้าใจเหตุผล หรือยังไม่เข้าใจที่มาของธรรมะเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งก็แปลว่าเรายังไม่ใช่วินยูชนและนั่นย่อมหมายถึงว่าเรายังไม่รู้จักคุณค่าของธรรมะจริงๆอีกด้วยและเมื่อเป็นเช่นนี้ความเชื่อที่มีต่อธรรมะก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมหรือตามคนอื่นได้ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่าธรรมะทุกบทที่กล่าวไว้ในเรื่องพระธรรมคุณนี้ ท่านหมายถึงธรรมะในขั้นโลกุตระธรรมทั้งสิ้นนั้นก็เพราะโดยธรรมดาถ้าหากผู้ใดยังละสักยะทิฏฐิไม่ได้จิตยังไม่ตกถึงกระแสนิพานคือยังไม่ได้พบกับความว่างความเป็นอิสระหรือการออกเป็นจากนามรูปซึ่งหากผู้ใดยังไม่พบกับภาวะเช่นนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้แจ้งด้วยตัวของตัวเองว่าธรรมะแต่ละข้อที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้นั้น มีความสำคัญอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรแต่สำหรับผู้ที่มีจิตตกถึงกระแสนิพพานแล้วหรือพูดอีกในยะหนึ่งคือละสักญาทิฐิได้เด็ดขาดแล้วก็จะรู้แจ้งได้ด้วยตัวของตัวเองซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่ออกมาจากภายในจิตใจของตนไม่ใช่ความรู้แจ้งที่มาจากภายนอกคือจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งทีเดียวว่า จุดหมายปลายทางของชีวิตที่แท้จริงนั้นก็คือความว่างความเป็นอิสระหรือการออกไปพ้นจากนามรูปเพราะด้วยการเข้าถึงภาวะนี้เท่านั้นจึงจะสามารถเอาชนะความทุกข์ได้ทุกอย่างพร้อมทั้งจะมีความรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงอีกด้วยแต่การที่จะเข้าถึงภาวะอันนี้จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมต่าง เช่นต้องมีความเมตตากรุณาอย่างลึกซึง้งต้องสามารถถือศีลได้ด้วยความสมัครใจและด้วยการรู้แจ้งถึงเหตุผลอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากเราปฏิบัติธรรมหรือพยายามสร้างธรรมะคือคุณธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นในใจของตนเพื่อหวังผลในทางวัตถุเช่นอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเงินหรือมีความเป็นอยู่สะดวกสบายอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งตนเองรู้สึกว่า ถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์คนอื่นก็จะเกลียดเราไม่ไว้ใจเราซึ่งจะเป็นเหตุที่เราต้องเสียชื่อเสียงหรือทำให้การสแสวงหาเงินลาบากอย่างนี้เป็นต้นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่หวังผลในทางวัตถุเช่นนี้ก็เป็นการแน่นอนว่าเขาก็จะไม่มีทางรู้แจ้งด้วยตัวของเขาเองเลยว่าการมีคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แต่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นนั้นเขาจะเห็นได้ชัดทีเดียวว่าถ้ามีคุณธรรมไม่พอเขาไม่อาจจะหนีไปให้พ้นจากนามรูปเพราะเหมือนเราจะข้ามฟากถ้าไม่มีเรือหรือแพรเราก็ไม่อาจจะข้ามได้แล้วเราจะอยู่ฝั่งนี้ไม่ข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่ได้เพราะฝั่งนี้มีอันตรายมากส่วนฝั่งโน้นมีความปลอดภัยทุกอย่างมีความสุขสบายทุกอย่าง เพราะเหตุนี้จึงต้องพยายามสร้างเรือหรือแพเพื่อเป็นพาหนะในการข้ามฟากและจะว่ายน้ำข้ามไปโดยไม่ต้องอาศัยเรือหรือแพก็ไม่ได้เพราะแม่น้ำกว้างมากมีสัตว์ ร, ร้ายชุกชุมและยังมีอันตรายต่างๆที่เกิดจากน้ำอีกเช่นคลื่นจัดน้ำดูดอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้จึงต้องสร้างเรือหรือแพในทำนองเดียวกันคนที่ยังมองไม่เห็นฟัง่ง ก็ยังมองไม่เห็นนิพพานยังไม่เข้าใจในเรื่องนิพพานเขาก็จะมีความสงสัยอยู่เสมอหรือไม่ก็ลังเลว่าการทำความดีหรือการมีคุณธรรมต่างๆจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจริงหรือไม่เป็นสิ่งจำเป็นจริงหรือไม่ยิ่งมาได้เห็นบุคคลอื่นประพฤติชุจริตแต่กลับร่ำรวยหรือมีอานาจก็อาจจะทาให้เขาเห็นไปว่าทาดีได้ดีไม่มีจริงเสมอไปทาชั่วอาจจะได้ดีก็ได้ ถ้าหากรู้จักทำให้เป็นหรือฉลาดในการทำนี่คือลักษณะของคนที่ยังไม่ใช่เป็นวินยูชนและยังมองไม่เห็นคุณค่าของธรรมะจริงๆด้วยตัวของเขาเองทั้งนี้ก็เพราะเขายังมองไม่เห็นฝั่งโน้นคือนิพพานส่วนผู้ที่มองเห็นฝั่งโน้นแล้วทุกคนย่อมจะรู้จักคุณค่าของธรรมะด้วยตัวของเขาเองหรือจากตัวของเขาเองว่า ธรรมะนั้นมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะอย่างอื่นช่วยพ้นทุกข์ไม่ได้นอกจากจะเป็นการช่วยชัวยช่วคราวเท่านั้นและจะช่วยให้ชีวิตมีความสุขสมบูรณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอเรียบปรืเข้าใจไว้ด้วยว่าการที่เราจะโฆษณาให้คนอื่นรู้จักคุณค่าของธรรมะโดยไม่ได้ชักจูงให้เขามีการปฏิบัติธรรมด้วยการโฆษณาหรือการเผยพระธรรมในลักษณะดังกล่าวมานี้ ย่อมไม่อาจจะชักจูงให้บุคคลอื่นเห็นแจ้งด้วยตัวของเขาเองได้บางคนอาจจะสงสัยว่าสันทิติโกกับปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิดูจะมีความหมายเหมือนกันแต่ถ้ามีความหมายเหมือนกันเอชไหนจึงต้องมากล่าวซ้ำอีกข้อนี้ขอเรียบรปรดจำไว้ให้ดีว่าคำว่าสันทิติโกนั้น หมายความว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเชื่อตามตารา ห, หรือตามผู้สอนเพราะถ้าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราสามารถทดสอบหรือพิสูจน์ได้ด้วยตั ว, ตวเองว่าธรรมะที่สรรสอนกันมาหรือที่มีอยู่ในคำภีนั้นผิดหรือถูกส่วนคำว่าปัจจตังเวทิตโพวิญยุหิหมายความว่า ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นมีคุณค่าหรือว่ามีประโยชน์จริงหรือไม่ข้อนี้จะรู้ได้ที่ตัวเองและเป็นการรู้เฉพาะตัวด้วยเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าคนไหนได้รับประทานเขาก็จะรู้จักรสของอาหารด้วยตัวของเขาเองแต่ถ้าคนไหนไม่ได้รับก็ไม่อาจจะรู้ได้เพราะฉะนั้น ผู้ที่จะได้ชื่อว่ารู้จักคุณค่าของธรรมะจริงๆด้วยตัวของตัวเองก็ต่อเมื่อต้องมีการปฏิบัติเพียงแต่เรียนรู้เฉยๆแม้จะจำไว้ได้อย่างแม่นยำพร้อมถ้ามีความเข้าใจดีแต่ถ้ายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วแต่ยังไม่ได้ผลก็จะเหมือนกับคนที่รู้แต่เพียงว่าอาหารอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่าอาหารอะไรเขาว่าอร่อยหรือไม่อร่อยซึ่งเป็นการรู้ตามเขาบอก ความมั่นใจในตัวเองยังไม่มีเพราะยังไม่ได้ลองชิมอันหนึ่งเนื่องจากรถของธรรมะเป็นรถที่ประเสริฐกว่ารถทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนไหนถ้าลงว่าได้รู้จักรถของธรรมะแล้วที่จะไม่ติดใจไม่ใฝ่หาเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และเมื่อตอนเองปฏิบัติ ด, ดีขึ้นโดยลำดับก็ยิ่งจะรู้จักคุณค่าของธรรมะลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในเรื่องนี้ขอให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าสมมุติว่าแหวนเพชรสร้อยเพชรหรือเครื่องประดับอะไรก็ตามมันจะมีคุณค่าจริงหรือไม่ความสําคัญอยู่ที่ความนิยมของคนส่วนใหญ่คือแปลว่าคุณค่าในตัวของมันเองไม่มีจริงๆเช่นเพชรถ้าคนทั้งหลายไม่นิยมเพราะมันมีมากหรือเอาไปแลกเปลี่ยนกับอะไรไม่ได้เพชรก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่า ส่วนธรรมะไม่เหมือนเครื่องประดับคือคนอื่นจะนิยมหรือไม่นิยมก็ตามหรือต่อให้คนทั้งโลกลงความเห็นว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งสาคัญไม่ใช่สิ่งจาเป็นสาหรับชีวิตสมมุติว่าทั้งโลกเป็นอย่างนี้ธรรมะก็ยังเป็นสิ่งที่มีค่าอยู่ตลอดเวลาเพราะคนไหนก็ตามถ้าได้ปฏิบัติธรรมเช่นสามารถเข้าสมาธิได้ทาจิตให้สงบจากนิวรณ์ได้ เขาก็จะไม่เชื่อตามคนอื่นแต่เขาจะยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีคุณค่ามากที่สุดและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตจริงๆแม้คนทั้งโลกจะไม่เห็นด้วยกับเขาแต่เขาก็จะไม่หวั่นไหวไม่คล้อยตามคนอื่นนี่คือลักษณะที่แน่นอนในเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าขอได้โปรดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างไรเป็นสิ่งที่วินยูชนทั้งหลายจะรู้ได้ที่ตัวเองแล้วรู้ได้จฉพอตัว